แล้วก็ตอนนี้ก็ต่อไปก็เกี่ยวพุทธคุณก็ต้องให้อาจารย์มหาเนี่ยเทศพุทธคุณนะที่นายก็ตึกให้ดีๆก็แล้วกันก็ในอธิการนี้นะครับบรรดานิวรเหล่านี้นะครับที่ละได้แล้วด้วยอํานาจการข่มไว้ด้วยธรรมะเหล่านั้นตามที่กล่าวมาแล้วกามาฉันทานิวรมีการละได้เด็ดขาดด้วยอรหัตตมรคนการมาฉันทะนี่จะละอย่างแท้จริงก็อรหัตตมรนะครับ ทีณมิ t ะและอุทจกุกุจานิวรนก็ต้องละได้เด็ดขาดที่อรหัตมัคส่วนพยาบาทนิวอนและกุกุจานิวอนละได้เด็ดขาดที่อนาคามีมัควิจิกิจชานิวอนละได้เด็ดขาดด้วยโซดาปฏิมัคเพราะฉะนั้นเพื่อจะแสดงธรรมะที่เป็นอุปการะแก่การละนิวอนนั้นพระองค์จึงตรัสตารบว่าอารัทางโหติวิริยะเป็นอันปรารบแล้วนะครับเพียรเพื่อละนิวอทั้งหมดเหล่านี้นี่นะครับ เนี่ยนะเนื้อหาของสูตรนะครับไม่ลืมนะที่พระองค์ตรัสว่าเธอทั้งหลายจงเป็นผู้มีศีลสมบูรณ์ ม, มีปาฏิโมกขสมบูรณ์สํารวมแล้วด้วยปาฏิโมกขสังวรถึงพร้อมด้วยอาจาระและโคจรมีปกติเห็นภายในโทษมีประมาณน้อยสมาทานศึกษาอยู่ในสิกขาบททั้งหลายเธอุดูก่อนพิสูจทั้งหลายเธอทั้งหลายเป็นผู้มีศีลสมบูรณ์มีปาฏิโมกขสมบูรณ์สํารวมด้วยปาฏิโมกขสังวร ถึงพร้อมด้วยอาจาระและโคจรมีปกติเห็นภายในโทษอันมีประมาณน้อยสมาทานศึกษาอยู่ในสิกขาบททั้งหลายจะมีกิจอะไรที่เธอทั้งหลายพึงกระทําให้ยิ่งขึ้นไปดูก่อนพิสูจนทั้งหลายถ้าแมน้นอภิชาพยาบาททีนะมิทธะอุทธะจักุกุจักของพิสูผู้เดินไปอยู่เป็นธรรมชาติปราศจากไปแล้วอันพิสูผู้เดินไปอยู่ละวิจิกิจชาได้แล้วปราลบความเพียรไม่ย่อย่อนตั้งสติไว้มั่น ไม่หลงลืมกายระ ง, งับแล้วไม่ระสำมระสายมีจิตตั้งมั่นเป็นเอกคตาพิสูจน์ผู้เดินไปอยู่อย่างนี้เราทศกัณกล่าวว่าเป็นผู้มีความเพียรมีโอตระปาปราลบความเพียรมีใจเด็ดเดี่ยวตลอดการเป็นนิสนะครับตลอดการเป็นนิส์ผลการเจริญในลักษณะนี้การปฏิบัติตามอย่างนี้มากๆนะครับก็จะเป็นอุบายเพื่อละนิวรได้อย่างเด็ดขาดอย่างสมบูรณ์บริบูรณ์อย่างจริงๆนะครับ คำนั้นมีเนื้อความว่าความเพียรเป็นอันเธอปรารบแล้วคือประคองไว้แล้วมีอธิบายว่าเป็นไปแล้วโดยไม่ย่อหย่อนเพื่อละนิวรณ์เหล่านั้นคือเพื่อประโยชน์แก่การตัดขาดสังกิเลตทำแม่ทั้งหมดนะครับก็ชื่อว่าเป็นผู้ภาคเพียรปฏิบัติเพื่อละนิวรณ์จริงๆและความเพียรที่ชื่อว่าเป็นอันไม่หลบหลีกแล้วนะครับเพราะไม่ถึงความหดหู่ในระหว่าง เหตุที่ปรารบความเพียรแล้วนั่นเองนะครับเพียรอย่างต่อเนื่องนะบทว่าอุปัติตาสติอัปปมุฏฐาความว่าไม่ใช่เพียงความเพียรอย่างเดียวเท่านั้นที่ปรารบแล้วถึงสติก็เป็นอันเข้าไปตั้งไว้แล้วเพราะมุ่งหน้าต่ออารมณ์นะครับมุ่งไปที่อารมณ์ของกรรมฐานนะครับเป็นไปกับคำสอนอยู่ตลอดเนยนะอันหนึ่งชื่อว่าไม่หลงลืมแล้วเพราะเข้าไปตั้งไว้แล้วนั่นเอง และเพราะสามารถระลึกถึงเรื่องที่ทําคําที่พูดไว้นานได้แล้วนะครับคือระลึกวินิจฉัยไข้ครวนอย่างรอบคอบตลอดเวลานะครับไม่ใช่ทําแบบคนหลงลงลืมลืมสักแต่ว่าไปนะครับแต่นี้เขามีการทบทวนอยู่ตลอดเวลานะครับทบทวนระลึกได้นะครับถึงที่มาที่ไปเป็นต้นเนี่ยนะครับบทว่าปัสสะโทวความว่าแม้กายของเธอก็เป็นอันระงับแล้วเพราะระงับความกวนกวายกายและจิตได้นะครับ คือถ้าทำถูกปฏิบัติตรงจริงๆก็ต้องไม่ฟุ้งซ่านนะครับถ้าหากว่าประพฤติปฏิบัติแล้วฟุ้งซ่านก็ไม่ใช่เพราะเหตุที่บรรดา น, นามกายและรู ป, ปกายทั้งสองอย่างนั้นเมื่อ น, นามกายสงบแล้วแม่รู ป, ปกายก็เป็นอันสงบไปด้วยทีเดียวเพราะเหตุ น, นั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงได้ตรัสว่าป ok ัสสทโธกาโยกายระงับแล้ว โดยไม่ให้แปลกการทั้งนามกายและรู ป, ปกายนะถ้าปฏิบัติถูกต้องสงบนะครับไม่ใช่โอ้โหภาคเพียนปฏิบัติมากๆแล้วก็นั่งฟุง้งนะนะไม่ไม่ถูกนะครับเพรานก็พอเหมาะพอสมนะครับก็คือต้องต้องสงบนะนะผลจะเจริญมากขนาดไหนต้องไม่ฟุ้งซ่านนะครับบทว่าอาสาระโธความว่าและผู้นั้นชื่อว่าไม่ระสามระสายแล้วเพราะเป็นผู้สงบแล้วนั่นเองมีอธิบายไว้ว่าเป็นผู้มีความกวนกวายปราดไปแล้ว บทว่าสมาหิตังจิตตังเอกกักขังความว่าแม่จิตของเธอเป็นเสมือนตั้งไว้แล้วโดยชอบคือเสมือนตั้งไว้แล้วด้วยดีได้แก่เป็นเสมือนแนบแน่นแล้วเพราะตั้งมั่นแล้วนั่นเองจึงมีอารมณ์เลิศเป็นอันเดียวคือไม่หวั่นไหวได้แก่ไม่ดิ้นรนหมายคำว่าไม่เอ็งเอียงนะครับไม่เอ็งเอียงไม่ไปอย่างอื่นเลยนะ สรุปด้วยคําเพียงเท่านี้เป็นอันพระองค์ตรัสถึงปฏิปทาอันเป็นส่วนเบื้องต้นแห่งฌานและมัจ ก, ก็คือเป็นเทศนาวิราชนะครับหมายค่าว่ายักย้ายเทศนาให้เหมาะสมแต่ถ้าพูดไปแล้วก็คือการเจริญสมถะและวิปัสนาเป็นต้นอย่างต่อเนื่องนั่นเองนะครับด้วยความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องด้วยเหตุ น, นั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงได้ตรัสด้วยว่าดูจความพิสูจนทั้งหลายภิกษุผู้เป็นอย่างนี้ถึง กำลังเดินไปเราตถาคตก็กล่าวว่าเป็นผู้มีความเพียรมีโอตตะปะปรารบความเพียรมีใจเด็ดเดี่ยวเป็นไปเนืองนิดติดต่อกันนะครับนะทบทวนได้นะสูตรก่อนเคยกล่าวว่าคําว่าโอตตะปะนั้นศัพท์นี้อธิบายว่าจตุปาริสุทธิ์ศีลอย่างบริบูรณ์มีความเพียรก็คือเพียรเจริญสมถะและวิปัสสนาแล้วก็มีจิตน้อมไปในพระนิพพานนะครับส่งจิตไปในพระนิพพานส่งจิตไปตามคําสอนตลอดเวลา ส่วนในคาถานะครับที่พระผู้มีพระภาคได้ทรงตรัสไว้ว่าภิกษุเพียรอยู่พึงเดินยืนนั่งนอนคู่เข้าเหยียดออกซึ่งอวัยวะมีมือและเท้าเป็นต้นนี้อันหนึ่งภิกษุพิจารณาโดยชอบซึ่งความเกิดขึ้นและความเสื่อมไปแห่งขันในเบื้องบนเบื้องขวางเบื้องต่าตลอดภูมิที่เป็นไปแห่งสัตว์ผู้สัญจรไปบนแผ่นดิน พระอริยเจ้าทั้งหลายมีพระพุทธเจ้าเป็นต้นได้กล่าวพิสูจผู้มีปกติอยู่อย่างนั้นมีความเพียรมีความประพฤติสงบไม่ฟุ้งซ่านมีญานทัศนวิสุทธิสมควรแก่ธรรมะเป็นเครื่องสงบใจศึกษาอยู่มีสติทุกเมื่ออย่างนั้นว่าเป็นผู้มีใจเด็ดเดียวตลอดการเป็นนิดนะครับคือเป็นผู้มีสง่งจิตไปในคําสอนของพระ อ, องค์เนี่ยนะครับตลอดการอยงนั้นนะนะอธิบายว่าบทว่า ยะตังเจเรความว่าพิสุพึงเดินไปเพียนไปอธิบายว่าแม้กําลังสําเร็จการเดินด้วยสา ม, มารถจงกรมเป็นต้นคือเพียนสืบต่อความพยายามอยู่ด้วยสา ม, มารถแห่งความเพียรคือสัมมาประธานนะครับคือเพียนในที่นี้หมายถึงว่าสัมมาประธานเนี่ยเป็นไปตลอดติดต่อในทุกอิริยาบถเลยนะครับเป็นต้นที่พระองค์ตรัสว่า พิสุยังฉันถ้าให้เกิดขึ้นพยายามอยู่เพื่อความไม่เกิดขึ้นแห่งธรรมะทั้งหลายที่เป็นบาปอากุศลที่ยังไม่เกิดนะครับควรสำเร็จการเดินไปเป็นต้นโดยวิธีที่จะละอกุศลธรรมทั้งหลายได้กุศลธรรมทั้งหลายจะถึงความบริบูรณ์ด้วยภาวนากุศลเนี่ยเกิดด้วยภาวนานะครับไม่ใช่ปล่อยตามเวรตามกรรมให้มันเกิดนะหมายความว่าต้องเจริญขึ้นหาอาหารหาปัจจัยนะครับ เหมือนกับโพชฌงต์แต่ละข้อแต่ละข้อนะครับสติสัมโพชฌงตธรรมวิรยิยสติสมาธิอุเบคาเนี่ยนะโพชฌงตแต่ละอย่างนี่เกิดจากภาวนานะครับภาวนาเนี่ยอะไรเป็นอาหารเพื่อความบริบูรณ์ขึ้นของสติเป็นต้นนะครับไม่ใช่สักแต่ว่าตามเวนตามกรรมปล่อยตามยะขากรรมนะครับเหมือนกับปลูกต้นไม้ทิ้งไว้มันจะโตว่าช่างมันตายช่างมันไม่ใช่แบบนั้นนะครับอันนี้ก็ต้องภาคเพียรพยายามนะครับสนับสนุนส่งเสริมนะครับเรียกว่าภาเวตประธรรมนะครับภาวนากับภาเวตประธรรมนระกูลเดียวกัน บัทนี้เพื่อจะทรงแสดงข้อปฏิบัติที่ภิกษุเมื่อปฏิบัติอยู่ชื่อว่าเป็นผู้เพียนคือมั่นอยู่จึงได้ตรัสคําเมียที่ว่าอุดทางบรรดาบทเหล่านั้นบอว่าอุดทางเบื้องบ น, บนเบื้องขวางรอบทิศทั้งหมดนะครับทั้งทิศเบื้องล่างนะนะบทว่ายาวตาชคตาคติความว่าความเป็นของสัตว์โลกที่จําแนกออกเป็นสัตว์และสังขารมีประมาณเท่าใดในความเป็นไป มีประมาณเท่านั้นอธิบายว่าในที่ทุกแห่งด้วยคํานี้นะครับด้วยคําประมาณเท่านี้พระพุทธเจ้าทรงแสดงการทรงเคราะห์เอาอารมณ์ของสัมมสนญาณเข้าไว้โดยไม่มีส่วนเหลือโอสูตรนี้เน้นสัมมสัญาณพิจารณาทั้งหมดเลยนะครับทั้งทุกขนทุกแห่งทุกทิศนะครับพิจรารณาโดยความเป็นของไม่เที่ยงเพราะสิ้นไปเป็นทุกข์เพราะน่ากลัวเป็นอนัตตาเพราะ ไม่มีสาระนะครับในสัตว์ทั้งหมดในสังขารทั้งหมดทุกทิศเบื้องบนเบื้องขวางเบื้องต่ำเนี่ยนะไม่ให้เหลือเลยบทว่าสัมมาเวกขิตาความว่าพิจารณาแล้วโดยชอบคือโดยเหตุได้แก่โดยนัยะมีอธิบายว่าเป็นผู้พิจารณาเห็นแจ้งด้วยอํานาจแห่งอนิจจะลักษณะเป็นต้นนะครับพิจารณาเป็นของไม่เที่ยงไม่ใช่เที่ยงพิจารณาโดยความเป็นทุกข์ไม่ใช่พิจารณาโดยความเป็นสุขนั่นเองนะครับ บทว่าทำมานางได้แก่ขันทั้งหลายที่ว่างจากสัตสูญยะคือว่างเปล่าจากสัตมนั่นเองนะครับขันทานังได้แก่ขันห้ามีรูปเป็นต้นบทว่าอุทยพยังได้แก่ทั้งความเกิดขึ้นทั้งความเสื่อมไปมีคําอธิบายไว้ดังนี้ว่าพิกสุพึงเป็นผู้พิจารณาเห็นคือพิจารณาเห็นเนืองๆซึ่งความเกิดโดยอาการยีบห้าและความเสื่อมสิ้นไปโดยอาการยี่สิบห้ายาง ด้วยอุทยพย า, ยานที่บรร ล, ลุได้ด้วยการพิจารณาความไม่เที่ยงเป็นต้นคือพิจารณาโดยความเป็นของไม่เที่ยงนะครับทั้งรูปทั้งที่เป็นอดีตอนาคตปัจจุบันเป็นภายในภายนอกยาบละเอียดเลวปนิษฐ์ใกล้ไกลทั้งหมดไม่เที่ยงนะครับเพรอสิ้นไปเป็นทุกข์เพราะน่ากลัวเป็นอนัตตาเพราะไม่มีสาระเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณก็เหมือนกันพิจารณาทั้งหมดนะครับในสัตว์ทั้งหมดทั้งเบื้องบนเบนืบ้องตามเบื้องคว้างเนี่ยนะ ทุ ก, ท, กทุนทุกแห่งเนี่ยนะเมื่อพิจารณามากๆอย่างนี้เราก็ปาราบเหตุเกิดของรูปว่ารูปจะเกิดเกิดโด ย, โดยโอาการ5จะเสื่อมก็เสื่อมโดยโอาการ5เวทนาเกิดโดยโอาการ5เสื่อมโดยโอาการ5สัญญาสังขารและวิญญาณก็เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นขันห้าจะเกิดเกิดโดยโอาการ25จะเสื่อมก็เสื่อมโดยโอาการ25 5 ก, ก, ก็คือเพราะวิชาเกิดรูปจึงเกิดนะครับสัตหนหาเกิดรูปจึงเกิด กรรมเกิดรูปจึงเกิดอาหารเกิดรูปจึงเกิดแล้วก็นิพพติลักษณะนะครับแล้วก็ถ้ารูปจะเสื่อมเพราะอาวิชามอาวิชาระด้วยอรหัตตมารูปก็จะหมดนะครับตันหานะครับหมดรูปก็จะหมดนะครับแต่ตันหาจ ะ, จะละได้จริงๆก็อาศัยอริยมรรคนั่นเอง ถ้าหมดกรรมรูปก็จะหมดนะครับเพราะว่ากรรมหมดไปรูปก็จะหมดไปถ้าอาหารเสื่อมไปรูปก็จะเสื่อมไปแล้วก็วิปริณาะณะนะบวิปริณากษณะลักษณะที่แปรไปเป็นต้นนะขันอื่นๆก็ในยะเดียวกันนะครับการพิจารณาอันนี้เนี่ยนะครับเนื่องจากสัมมาสาาัญาาต้องพ่อคูนไภบูญอย่างเต็มที่นะครับเพราะว่าพิจารณาเห็นเหตุเกิดเนี่ยจะต้องไม่ลืมนะครับว่า เห็นเหตุเกิดอย่างนี้ก็จะละอุเฉททิฏฐิได้นะครับถ้าพิจารณาเห็นความเสื่อมอันนี้ได้ก็จะละสัตตทิฏฐิได้นะครับถ้าเห็นทั้งเหตุเกิดและความเสื่อมอย่างนี้ก็เป็นข้อปฏิบัติเพื่อแทงตลอดอริยสัตว์นะครับเมื่อพิจารณาอย่างนี้มากๆนะครับในรูปธรรมและอรูปธรรมทั้งมวลกล่าวคืออุปาทานขันทั้ง5ที่แตกต่างกันโดยจําแนกออกเป็นอดีตเป็นต้นในสัตว์โลกแม้ทั้งหมดที่สงเคราะห์เป็นไปในเบื้องบนเบื้องขวางเบื้องล่าง สัตว์ทุกชนิดเลยนะครับสงเคราะห์แบบนี้หมดเลยนะครับนี่เขาให้เห็นว่าพิจารณานี่ไม่ได้พิจารณาธรรมดานะครับไม่ได้ทําเล่นๆ เ, เลยนะครับเอาเป็นการเป็นงานมันเป็นงานวิจัยจริงๆนะครับทําไมวิจัยขนาดนี้คู่ควรไม่ที่จะได้ปัญญาปริญญานะครับถ้าตีรณปริญญาไม่บริบูรณ์เนี่ยปัญญาปริญญาเกิดไม่ได้ถ้าปัญญาปริญญาไม่มีก็ไม่คู่ควรที่จะบรรลุอริยสัจนะครับไม่คู่ควรที่จะแลงตลอดทุกด้วยการกําหนดรู้ละสมุทัยด้วยการละ นิโรธด้วยการทำให้แจ้งมักด้วยการเจริญบทว่าเจโตสมถธสามีจริงได้แก่ญาณทัศนะวิสุทธิที่เป็นปฏิปทาสมควรแก่อริยมักกล่าวคือเจโตสมถะเพราะสงบประงับสังกิเลสแห่งจิตได้สิ้นเชิงบทว่าสิกขามานังได้แก่ปฏิบัติอยู่คือเจริญอยู่หมายคำว่ายังญาณที่สูงสูงขึ้นไปให้เกิดขึ้น บอว่าสารธาแปลว่าในการทุกเมื่อทั้งกลางวันทั้งกลางคืนเนี่ยนะครับเห็นนะปฏิบัติแบบนี้ไม่ใช่ทำํำเล่นๆนะครับเอาทั้งวันทั้งคืนน่ยนะบทว่าสตังความว่าผู้ทําสติเนี่ยใช้คําว่าผู้ทําเลยนะครับบางท่านบอกว่าสติมทําได้เหรอเนี่ยไม่ใช่นะครับทําได้นะครับสโตการีเนี่ยนะครับเป็นผู้มีปกติทําสติทําให้มากๆนะครับทำไม่ทำนี่พอองตาําหนินะ เพราะฉะนั้นสตังความว่าผู้ทําสติด้วยสติที่ประกอบด้วยสัมปชัญญะ4นะครับคือสติที่เป็นไปกับสาธกาสัมปชัญญะโคจรสัมปชัญญะส ป, ปายะสัมปชัญญะแล้วก็อะสัมโมหะสัมปชัญญะในฐานะ7ประการไม่ว่าจะการก้าวไปถอยกลับการแลการเลี้ยวการคูเข้าการเหยียดออกการนุ่งการหอมการรับประทานการขับการถ่ายการยืนเดินนั่งนอนหลับตื่นพูดนิ่งเป็นต้นเนี่ยเอาหมดเลยนะครับ มานก็ต้องฝึกเอาจริงๆบทว่าสัตะตังปหิ ต, ตัตโตความว่าพระริยเจ้าทั้งหลายมีพระพุทธเจ้าเป็นต้นตรัสแล้วคือย่อมตรัสได้แก่ย่อมบอกซึ่งภิกษุอย่างนั้นว่านะครับเป็นผู้มีเจ็จิตใจเด็ดเดียวตลอดกาลทุกเมื่อคือเป็นผู้ส่งใจไปสู่นิพพานเนี่ยพระพุทธเจ้ายอมรับพระภิกษุแบบนี้นะครับพระองค์นี้นับถือยกย่องพระภิกษุแบบนี้นะครับท่านในพระเทกรสูตรนะครับ จะสัมพันธ์กับพระเทกรสูตรนะว่าภิกษุลักษณะนี้แหละครับเป็นภิกษุที่พระสัมมาสามัมพุทธเจ้านิสสงยกย่องจริงๆนะครับไม่ใช่ว่าการเจริญสมถวิปัสสนานั้นเป็นการเจริญตามเวรตามกรรมแล้วแต่มันจะเกิดแล้วมันจะเสื่อมแล้วแต่อะไรจะเกิดก็เกิดขึ้นนะครับเหมือนกับลมพาไปใช้ชีวิตเหมือนสว่านี่ไม่ใช่แน่นอนนะครับเพผลชีวิตของผู้ที่ศึกษาและประพฤติปฏิบัติตามคําสอนนั้นเป็นชีวิตที่ไม่ประมาทจริงๆนะครับ เพราะว่าผู้ที่ประมาทพระผู้มีพระภาคก็ตรับว่าเป็นผู้ตายแล้วนะครับทั้นสูตรเหล่านี้นะครับโดยเฉพาะสัมปะนะสูตรนี่นะครับมันอ่านบ่อยๆนะครับเป็นข้อปฏิบัติคิดว่าเป็นอาธิพรมจรันเลยนะครับเป็นข้อปฏิบัติเป็นเบื้องต้นของการบรรลุมรรคผลเลยนะครับถ้าหากว่าความเข้าใจในสูตรเหล่านี้ไม่เพียงพอนะครับเราก็คงจะ สัตสายไปหาข้อปฏิบัติอะไรใหม่ๆที่คิดว่ามันลัดมันสั้นมันง่ายนะครับจากคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะครับถ้าเป็นอย่างนั้นเราก็เสื่อมจากคำสอนนนะครับถ้าคิดว่าเออคำสอนเหล่านี้ปฏิบัติได้จริงหรือเป็นตอนถ้าคิดในลักษณะนี้ก็ถือว่าเรานี่เสื่อมแล้วนะครับห่างจากศาสนาของพระศาสดาแล้วละนะครับ น, นี้ก็คงใช้เวลาเท่านี้ก่อน